ปาจิตติยากันว่าด้วยอาบัติปาจิตตีที่ไม่ต้องสละสิ่งของอาเจลกะวักวักว่าด้วยชีบเปลือยเป็นวักที่ห้ามีสิบสิกขาบทคือสิกขาบทที่หนึ่งอาเจลกะวักในปาจิตติยากันห้ามยื่นอาหารด้วยมือให้ชีบเปลือยและนักบวชอื่นๆขนมเกิดขึ้นแก่สงจำนวนมากเหลือเฝือ พระภูมิพระภาคเจ้าจึงทรงโปรดให้พระอนนท์แจกเป็นทานแก่คนอดอยากพระอนนท์จึงแจกมีนักบวชนอกศาสนาที่เป็นผู้หญิงมารับแจกด้วยพระเอินให้เกินไปหนึ่งก้อนแก่นักบวชหญิงนั้นด้วยเข้าใจผิดพวกเขาเองจึงล้ อ, อ ก, กันว่าพระอนนท์เป็นชู้ของหญิงนั้นและภิกษุรูปหนึ่งฉันเสร็จก็เอาข้าวสุกคลุกเนยใสให้แก่อาชีวกผู้หนึ่ง มีผู้เห็นว่าไม่เหมาะสมเพราะการยื่นให้ด้วยมือแสดงคล้ายเป็นสิทธ์หรือขา้ารหัสประเค้นของพระจะกลายเป็นเหยียดตัวเองลงเป็นข้ารืหัดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามให้อาหารแก่ชีบเลือยแก่ปริพาชกแก่ปริพาชิ ก, กาด้วยมือของตนทรงปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด สำหรับสิกขาบทนี้ปรับอาบัติที่การยื่นให้ด้วยมือแต่ถ้าวางให้ไม่เป็นอาบัติสำหรับปริพาชคและปริพาชิกาก็คือนักบวชนอกพระพุทธศาสนาพวกหนึ่งสิกขาบทที่สองอเจละกะวักในปาจิตติยากันห้ามชวนภิกษุไปบินทบาตด้วยแล้วไล่กลับ พระอุปนนทะสักยบุตรชวนภิกษุรูปหนึ่งไปเที่ยวบินทบาตด้วยกันแล้วไล่เธอกลับพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามทำเช่นนั้นทรงปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดสิกขาบทที่สามอาเจละกะวักในปาจิตติยากันห้ามเข้าไปแทรกแซงในสกุลที่มีคนสองคน พระอุปนนทสักยบุตรเข้าไปในสกุลที่สามีภริยาเขานั่งอยู่ด้วยกันได้พิกาแล้วคือได้อาหารบินทบาทแล้วสามีไล่ให้กลับแต่ภริยานิมนต์ให้นั่งอยู่ก่อนจึงนั่งอยู่เขาไล่ถึงสามครั้งก็ไม่กลับพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุเข้าสู่สกุลที่สามีภริยาอยู่ด้วยกัน ส่งปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดสำหรับสิกขาบทนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชัชรยานวโรรสทรงตีความไปอย่างอื่นว่าไม่ใช่สกุลที่มีคนสองคนคือมีสามีภริยาอยู่ด้วยกันแต่เป็นสกุลที่เขากำลังบริโภคอาหารกันอยู่สิกขาบทที่สี่ อาเจละกาวักในปาจิตติยากันห้ามนั่งในที่ลับมีที่กำบังกับมาตุคามหรือผู้หญิงพระอุปนนทสักยบุตรไปสู่เรือนสหายนั่งในที่ลับมีที่กำบังกับภริยาของสหายนั้นเขาติเตียนพราผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามนั่งในที่ลับมีที่กำบังกับมาตุคามหรือผู้หญิง ทรงปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดสิกขาบทที่ห้าอเจลกะวัคในปาจิตติยกันห้ามนั่งในที่รับหูสองต่อสองกับมาตุคามหรือผู้หญิงพระอุปนนทสักยบุตรไปสู่เรือนสหายนั่งในที่รับหูกับภริยาของสหายนั้นสองต่อสองเขาติเตียน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามนั่งในที่รับหูสองต่อสองกับมาตุคามหรือผู้หญิงทรงปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดสิกขาบทที่หกอาเจลกาวาคในปาจิตติยักันห้ามรับนิมนต์แล้วไปที่อื่นไม่บอกลาพระอุปนนท์สักยะบุตร รับนิมนต์ไปฉันในที่แห่งหนึ่งแล้วไปสู่สกุลอื่นซะก่อนทำให้ภิกษุอื่นแล้วเจ้าของบ้านที่นิมนต์ไว้ต้องคอยพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามทำเช่นนั้นภายหลังมีเหตุเกิดขึ้นจึงทรงบัญญัติเพิ่มเติมหลายครั้งรวมความในสิกขาบทนี้ว่าภิกษุรับนิมนต์แล้วไม่บอกลาภิกษุที่มีอยู่ในวัด เที่ยวไปในสกุลทั้งหลายก่อนฉันก็ดีภายหลังฉันก็ดีเว้นแต่สมัยคือคราวถวายจีวอนและคราวทำจีวอนต้องอาบัตปาจิตตีสิขาบทที่เจอเจละกกวักในปาจิตติยะกันห้ามขอของเกินกำหนดเวลาที่เขาอนุญาตไว้มหานามสากยะ ปราวณาต่อภิกษุสงฆ์ให้ขอเศสัตว์คือยาได้ตลอดสี่เดือนแล้วภาวณาต่อจนตลอดชีวิตภิกษุฉัพพัก ค, คีขอเนยใสในขณะที่คนใช้ของมหานามสักยะไปทำงานแม้จะถูกขอร้องให้คอยก็ไม่ยอมกลับพูดว่าปราวณาแล้วไม่ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงส่งบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุไม่เป็นไข้ พึงขอปัจจัยสำหรับภิกษุไข่ที่เขาะวรณาสี่เดือนได้ถ้าขอเกินกำหนดนั้นเว้นไว้แต่เขาะวรณาอีกและะวรณาตลอดชีวิตต้องปาจิตติสำหรับศิขาบทนี้ไม่เป็นไข่ขอไม่ได้แส้งขอในเมื่อไม่มีความจำเป็นก็ไม่ได้ สิกขาบทที่แปดอาเจลกาวรคในปาจิตตียากันห้ามไปดูกองทัพที่ยกไปภิกษุฉัพคีไปดูกองทัพที่ยกไปพระเจ้าประเสนทิทอดพระเนตรเห็นก็ทรงทักท้วงคนทั้งหลายพากันติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุไปดูกองทัพที่เขายกไปต้องปาจิตติ ภายหลังทรงอนุญาตให้ไปในกองทัพได้เมื่อมีเหตุสมควรสิกขาบทที่เก้าอเจละกาวัคในปาจิตติยากันห้ามพักอยู่ในกองทัพเกินสามคืนภิกษุฉัพคีมีเหตุจำเป็นจะต้องไปในกองทัพและพักอยู่เกินสามคืนมีผู้ติเตียน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าเมื่อมีเหตุจำเป็นจะต้องไปในกองทัพภิกษุจะพักอยู่ในกองทัพได้ไม่เกินสามราตรีถ้าอยู่เกินกว่านั้นต้องปาจิตตีสิกขาบทที่สิบอาเจละกะวัคในปาจิตติยากันห้ามดูเข้ารบกันเป็นต้นเมื่อไปในกองทัพ ภิกษุฉัพคีมีเหตุจำเป็นต้องไปพักในกองทัพสองสราตรีเธอได้ไปดูการรบการตรวจพลการจัดทัพและดูทัพที่จัดเป็นกระบวนเสร็จแล้วภิกษุรูปหนึ่งในจำนวนหรูปถูกลูกเกาทันเพราะไปดูเคารพกันเป็นที่ยเยาะเย้ยติเตียนของคนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามภิกษุที่พักอยู่ในกองทัพสองถึงสามราตรีไปดูการรบการตรวจพลการจัดทัพและทัพที่จัดเป็นขบวนเสร็จแล้วทรงปรับอาบัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิด